ผู้ทั่วสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะ แล้วก็ทั้งในส่วนของการปฏิบัตินะคะเพราะ แล้วก็เป็นความสุขที่เกิดจากในภายในด้วยก็เป็นความสุขที่เกิดจากถ้าความสุขที่อย่างเช่นเรากินข้าวสุขเรากินข้าวมีความสุขไป ก็ถ้าเกิดว่าท่านกําลังจะบอกว่าอากาศเย็น ถ้าสมมุติเราฟังเพลงอย่างเงี้ยแล้วมันๆสบายๆแล้วคุณคิดว่าถ้าเผื่อว่าๆอาหารค่ะงั้น อ่าสําหรับผู้ที่จะพบความสุขจากในภายในเนี่ยอืมขึ้นอยู่ น้ำหนักตรงไหนสําคัญมากกว่าและถ้าจะเปรียบเทียบเป็นว่าความจําเป็นที่เขาอาจารย์ในการที่ได้อย่างเงี้ยเหรอ 2 เลยนะคะความสําคัญของตัวต้องอืมมาก ต้องไปหาให้เจอมีคุณสมบัติอย่างไรคะต้องไปหาให้เจอมีคุณสมบัติอย่างไรกับในอีกทางนึงก็คือว่าสําคัญ 3 ส่วนด้วยกันด้วยกันนะถ้าพูด <c oughs> มีเสียงอึกทึกๆครมน้อยเป็นที่ทําการรับของแยะมีเสียงๆครมเช่นในหรือในที่ อ่ะข้อที่ 2, 2> <แ ก. S 1> นั้นอยู่ที่ตัวผู้ที่ปฏิบัติด้วยแล้วคุณ เนี่ยจะเป็นใบเพื่อสมาธิเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ตัวเราด้วยอันนี้คือข้อที่ 2, 2> ค่ะ 1 คือเสนาสนะ 2 คือตัว 3 นะคือการที่ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่ นะเป็นครูที่เลิศประเสริฐสีนั่นคือพระพุทธเจ้าซึ่งคําสอนพระพุทธเจ้าให้ไว้แล้วนะพระพุทธเจ้าแสดงธรรมไว้แล้ว นะซึ่งเกี่ยวบางทีเค้ามี 3 ค่ะอืมงั้นๆเนี่ยมันสําคัญไปทั้ง 3 ส่วนเลยนะคะที่ อธิบายท่านอธิบายเพราะบางคนเนี่ยไม่เข้าใจจริงๆแล้วดิฉันเองก็อยากทราบจริงๆเหมือนกันว่าถ้าทันพระถ้า 30 องศา นั่งเก่งค่ะดังนั้นที่สบายนะคะนั้นที่สบายนะๆแบบนี้และสบายในที่นี้สําหรับอ่า ที่ที่เป็นไปด้วยกับตัณหาและทิฐินะเช่นว่าเรารักษาศีลเนี่ยเพื่อที่จะไปยกตนข่มคนอื่นว่าฉันดีกว่าเธออันนี้ไม่ใช่แล้วไม่ได้เป็นไปเพื่อสมาธิเอ่อหรือศีลในลักษณะที่ชนิดที่ นะครับบางคนเนี่ยถามดิฉันก็น่าเห็นใจอืมอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนกลัว ค่ะเออมนี่คือรูปคลําจริงๆเลยนี่เป็นไปเพื่อถูกตัณหาและทิฏฐิรูปคลําล่ะค่ะแต่ถ้าอย่างงั้นท่านต้องเออไปก็ก็ปัดมันออกไปสิอ่าแล้วก็ บรรยากาศของการที่มีโอกาสได้ฟังในสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังอืมเพื่อที่จะทําในสิ่งที่ได้ฟังนั้น คือโดยปกติเลยคือไม่ได้มีหน้าที่บัญญัติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งอะไรที่สอนซึ่งไม่เท่าการอธิบายอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยจะไปบอกว่าคนนี้บัญญัติอย่างงั้นบัญญัติ อันไหนที่มันฟังแล้วมันจะเป็นการอธิบายพุทธพจน์ เหมวันผู้ที่บรรยายให้ดิฉันได้ฟังเนี่ยก็พูดถึงว่าโลกมันก็เลย ด้วยตนเองได้ให้ทํารายงานอะไรเด็กค้นมาปะนู่นปะนี่ตัดเตี่ยวอืมคอยช่วยไม่ใช่เป็นผู้สอน อ่าในที่ท่านพูดมา 3 ข้ออย่างงั้นก็ดูว่าอัตถิลีกเรนอยู่แต่ผู้เดียว 2 ตัวผู้ปฏิบัติมีศีล 3 เลยฟัง อย่างเงี้ย <Yeah>. CD MP3 อะไรมี YouTube ก็เข้าถึงได้ตลอดเข้าถึงได้ตลอดแล้วก็สามารถทําได้ๆเลยว่าสิ่งนั้น นั่นแสดงว่าเราเข้าข่ายของผู้ที่ฝึกได้นะเพราะฉะนั้นผู้ที่เพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกได้เราควรจะต้องได้รับ<ใช> อธิบายในเรื่องที่พระเจ้าสอนเอาไว้นะไม่ได้พูดเรื่องนอกแนวนะเออค่ะที่ก็เป็นทางเลือก อืมโอเคคือข้อจํากัดของสื่อค่ะอืมแต่ว่าอ่าในขณะเดียวกันทางนี้ก็อาจจะๆมาแล้วแล้วก็อีกอย่างนึง การเรียนป์เป็นพวกเป็นหมู่เนี่ยอาจจะทําคือเห็นแง่เห็นมุมของปัญหาเห็นแง่เห็นมุมของคําตอบใช่อันนี้มีส่วนเพราะว่าการอยู่ในหมู่สงฆ์คือ ค่ะนะคะก็เป็นอันว่า ท่านเป็นบุญอภิปุณโญเป็นอย่างยิ่งค่ะเจริญราชการค่ะท่านฝั่งที่เคารพค่ะซึ่งเราได้ดําเนิน ประโยชน์กับการดําเนินชีวิต